พิธานวิกรรมจริต ท, ที่อาจารย์แอนได้นํามานี่นะครับได้เขียนขึ้นมาแล้วก็แปลและเรียบเรียงโดยทศาสตราจารย์ดรศักดิ์ศรีย่านนัต ด, ดานะครับเป็นนิยายภาษาสันสกฤตซึ่งหลายท่านที่ได้อ่านไปแล้วนี่ก็คงจะมีความประทับใจตั้งแต่วันนี้ไปถึงตุ๊กตาตัวที่เท่าไหร่แล้วครับค่ะตัวที่23่นะคะตัวที่23่ <c oughs> สิบคือจริงๆแล้วตัวที่23มนคะคะมีอะไรทีน่น่าสนใจหลายอย่างนะคะก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ย ส่วนใหญ่จะแสดงถึงความมีคุณธรรมของพระเจ้าวิกรธรรมิตนะค ะ, คะที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละหรือว่าเมื่อส่งได้ทรัพย์สินใดๆมาจากความพยายามอัญญากําบากของรควมคร่รงก็สามารถเ ส, สเสียสละได้โดยไม่ไม่มีความเสียดายใดๆทั้งสิ้น น, ะะนี่คือคุณธรรมของผู้นําในความคิดของฮินดูนะฮะค่ะอืม ต้องต้องบอกว่าเป็นคุณธรรมที่ปีอยู่ในโลกที่คนจะที่เรียกว่าเป็นศัจธรรมะะดีไหมนตศัจธรรมใช่ค่ะแตศัจธรรมนะคะคืออย่างที่เรนเรนทราบว่าศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนี่นะคะก็คือศา ส, สนาฮินดูซึ่ง้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองนะคะก็ได้ทรงถือกำเนิดเกิดมาในถิ่นที่เหมาะสมก่อนนะคะคือมีมพื้นฐานของคาสอนที่ที่เป็นธรม เป็นธรรมชาติและที่เป็นสัจจะ<ม>นะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำให้ใหโรคเนี่ยได้ตรัสรู้เข้าถึงกรรมอย่างลึกซึง้งแล้วก็บนทางที่จะเดินออกจากกรรมนั้น<ม>นะครับอันนั้นก็คือมันก็มีความเกี่ยวพันกันนะคะซึ่งที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาในเรื่องของว่าฮินดูสอนอะไรนี่ทําให้เราได้มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาพุทธมากขึ้นนะคะ ในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับตุ๊กตาในแต่ละตัวผมท่าความนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ากษัตริย์โพชะเนี่ยได้มีการขุดค้นพบแท่นอาสนะที่เรียกว่ารัตนบัลลังก์ครับซึ่ง1000ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยกษัตริย์วิกรมาทิตย์เคยได้ใช้บัลลังก์นี้เนี่ยเป็นเป็นบัลลังก์คู่ราชบัลลังก์นะครับโดยการที่พระองค์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอันสูงส่งจนเป็นที่กล่าวขานเรื่องรือมาถึงปัจจุบันนะครับ เมื่อครั้งที่กษัตริย์โพชะได้ทําการขุดค้นพบรัตนบัลลังก์แก้วบัลลังก์นี้นะครับ <c oughs> ก็ได้มีการสอบถามถึงประวัติความเป็นมาหลังจากทราบแล้วเนี่ยขณะที่กษัตริย์โพชะกาลังได้ค่อยๆก้าวพระบาทเดินขึ้นไปบนบัลลังก์เพื่อที่จะไปนั่งบนบัลลังก์แห่งนี้ก็มีตุ๊กตาซึ่งแต่ละตัวก็จะเป็นหัวตุ๊กตาในขั้นบันไดนั่นนะครับได้เอื้อนเ อ, อ่ยถึงคุณธรรมซึ่งเล่าเป็นเรื่องนิทานในแต่ละเรื่องในแต่ละขั้นนะครับ วันนึกเมื่อครั้งอดีตนั้นกษัตริย์วิกรมัิที่ปฏิบัติตัวอย่างไรและแต่ละขั้นเนี่ยตุกตาก็จะถามกษัตริย์โพชะนะครับว่าคุณธรรมอย่างเนี้ยท่านปฏิบัติได้หรือเปล่าท่านเสียสละดได้ไหมท่านขคมใจท่านมีตาบาตได้หรือเปล่าตอนนี้มาถึงตัวที่23เนี่ยนะครับซึ่งผมฟังอาจา ร, รย์แอนมาในแต่ละตัวเนี่ยนะก็รู้สึกว่ากว่าที่จะครองใจคนได้เนี่ยมันมันยากกว่าการครองบาลังหรือครองแผ่นดินอีกนะครเพราะสิ่งที่กษัตริย์ วิกรามาทิติปฏิบัติมานี่คือการครองใจคนคไม่ใช่ครองแผ่นดินหรือครองอำนาจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับที่นี่ก็อย่างที่เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปนะคะ ค, ค, คือพระเจ้าวิกรามาทิติก็ย่อมมีเวลาที่จะป่วยไข้ได้เจ็บเกิดมีเคราะห์มีสุบินนิมิตซึ่งในตุกตาตัวที่2ี่เนี่ยนะคะก็จะได้ให้ความรู้ของเรารแก่เรานี้อีกแบบหนึ่งนะคะ คือเป็นเรื่องราวที่นางตุ๊กตาตัวที่23เนี่ยเล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าวิกรามาธิเสด็จกลับคืนสู่พระนครหลังจากที่การท่องเที่ยวไปยังดินแด น, นต่างๆประชาชนทั้งหลายต่างก็พากันชื่นชมนะครือหรือลงประเสริฐที่ไหนก็มีคนอยากให้ไปนะคะเพราะว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วก็มีพระเมตตาอย่างล้นเหลือเมื่อพระราชาเสด็จสู่พระราชวังก็โปรดให้พนัก ง, งานถวายการนวดเฟ้น เมื่อเวลาเที่ยงวันนะจากนั้นก็เสด็จเข้าห้องสงศ์สำรับพระกายแล้วก็ส่งผู้าพร อ, อัน ญ, ญามิจิตนะก็คือแต่งเครื่ององคทรงเครื่องแบบเครื่องกษัตริย์นี่และค่ะแล้วก็เสด็จเข้าสู่เทวารายแห่งองค์พระวิศนุเจ้าหรือพระนารายนะคะก็ทําการบวงสรวงด้วยเครื่องบูชาสิบอย่างก็มีการกล่าวกระถาสดุดดีนะคะว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐเนี่ยแล้วพระองคคือตัวประมาทกษัตริย์เองก็ขอนอบน้อม นะคะก็มีการบูชาตามรูปแบบของฮินดูแล้ว ก, ก็ส่งให้ทาน <c oughs> แก่พรามด้วยสิ่งอันพึงตามประเพณีนะที่จะให้ตามประเพณีก็คือแม่โคที่ดินเมล็ดงานะแล้วก็ประทานทรัพย์แก่ยาจบธริตทกนะลิต ท, ทกก็มีความหมายถึงคนจนนะะแล้วก็คนตาบอดคนใบ้คนพิการคนง่อยคนอนาถาไร้ที่พึ่ง สเสด็จสูรงทานประทานอาหารแก่เด็กชายหญิงคนชราแล้วคนไม่มีจะ ก, กินให้อิ่มน้ำสำํำรันแล้วก็สวยพร้อมกับพระญาติบงนะคะอันนี้ก็มีบทบัญญัติไม่ว่าเมื่อเลี้ยงดูเด็กท่านหญิงหญิงและชายคนชราหญิงมีการคนป่วยหญิงสามอาการตุกตคนรับใจแต่ก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็เพิงจะเลี้ยงดูหรือแจกจ่ายแก่ผู้เป็นสามีภรรยาหรือบุคคลผู้รักกันคือผู้ง่ายบุคคลที่เรารั ต้องให้ทั่วถึงให้ทั่วถึงกันแบบว่าบุคคลพึงรักกันสมาคมอย่าไปบริโภคแต่ลาพังนะควรจะมีญาติพี่น้องญาติสนิทมิสหายสองคนหรือสามคนอยู่สมอทุกวันอันนี้ก็เป็นการให้ทานนะคะการเลี้ยงอาหารการเลี้ยงดูบุคคลทั้งหลายก็เรียกว่าเป็นการให้ทานนะคะคือคนที่ให้ทานสม่ําเสมอคนที่มีจิตในการให้ทานเนี่ยเป็นจิตที่ให้ไม่มีที่สิ้นสุดก็จะมี ที่จะได้โดยทีไม่มีที่สินสุดเหมือนกันครับเหมาซึ่งนที่ให้ยินได้การบริโภคอาหารร่วมกับคนอื่น2หรือ3คนหรือมากกว่านั้นยังบุคคลให้เข้าถึงสำเร็จผลในสิ่งอันพึงปรารถนาและล่ํ า, ารวยโภกทรัพย์ในภายภาคหน้าและนี่เป็นอนิสงฆ์นะชัดเ<ำ>จนคำว่าสำเร็จผลอันพึงปรารถนาเนี่ยผมมองเห็นอนิสงฆ์ของการที่เวลารับประทานไม่ใช่มานั่งสังสรรค์กินเล่ากันนะครัแต่ทานอาหารร่วมกันนี่มันได้พูดคุย ได้แสดงออกซึ่งน้ำใจไมตรีต่อกันจะทำการสิ่งใดก็มีคนช่วยเหลือนะครับยังมีที่จะได้ความรู้อีกนะคะว่าคนที่กินอาหารแล้วนั่งอืดอยู่เฉยๆ<ฆ>ทาให้เป็นคนท้องกรุย้ย อ, อืดอัด ค, คนที่นอนหลังจากกินอาหารแล้วส ะ, ะลับสบายคนที่กินอาหารแล้วเดินออกกำลังจะมีชีวิตยืนยาว<ฆ>และถ้ากินแล้วออกวิ่งมรตยูจะวิ่งตามหลังเขาไปก็ ค, คือไม่รู้เวลาเวลานะร่างกายจะย่อยจะพักหน่อยไม่ทาไม่ทันนั่นเลย ก็คือเดินออกกําลังไม่ใช่วิ่ง<ะ>ถ้าวิ่งนี่อันตรายนะคะความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้6ทางคือเกิดจากการดื่มน้ํามากเกินไป<ะ>เกินกําลังตัวเรานะคะ2กินอาหารพริ่าเพลื่อไม่เลือกการการรัศดรักิกินจุกกินจิบนั่นเอง3นอนกลางวันมากจนเกินไปแล้วไม่นอนตอนกลางคืนกลางคืนไม่หลับนะก็คือผู้ดง่ายใช้ชีวิตตอนกลางคืนนั่นเอง<ะ>และกลางวันนอนเนี่ยอา ย, ยุจะสั้น นะคะสุขภาพก็ไม่แข็งแรง<ะ>กลั้นปัสสาวะนะคะกะคืนแล้วก็กลั้นการกลับถ่ายะนะคะคือเหล่านี้คือทําให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป<ะ>่วยได้ก็คือท้องผูกน ะ, ะปัสสาวะไม่ไม่คือกั้นบ่อยๆนะคะก็เพาะกับปัสสาวะอักเสบนี่อันตรายนะค ะ, ะพระเจ้าวิกรมาทิตน ะ, ะก็ส่งรักษาสุขภาพนะคะก<ะ>็ตามที่ได้เรียกว่าตามที่ทาง ศา ส, สนาฮินดูเนี่ยได้สอนสอนคือเพื่อสอนเรื่องการราสุขภาพด้วยนะคะครับแล้วจานั้นก็ทรงนมัส ก, การถวายเทพทั้งหลายเสวยอาหารเมื่อเย็นก็เข้าห้องบรรทมที่จริงพระองค์ทำความดีมาตลอดวันเลยนะคะที่นอนหรือก็เป็นที่นอนที่ปูลาดด้วยผ้าละเอียดอ่อนคือเรียกว่าโ<า>ปรยปลายด้วดอกมะลิกลินหอมแต่พระองค์ก็เกิดสุบินนิมิตฝันะะไปที่ที่ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องราวของพระสุบินนิมิตของ พระเจ้าวิกรธรรมิศเนี่ยแอนก็นึกถึงความฝันสุภกการของพระเจ้าประสนิโกศลครับซึ่งจะเป็นพุทธธรรนายในสมัยตึงพุทธกาลเนี่ยช่วงที่เราอยู่นี่แหละรู้สึกสะท้อนใจนะคะถ้ามีโอกาสได้จะได้ฟังก็มีจะนำเกิดมามีคนโทรศัพท์มาผมต้องเรียนจัดแต่อาจารย์กุญยุทก็ได้ยินได้ฟังไว้แอนคงจะได้พูดบ้างนะนะคงจะได้พูดทั้งหมดนะคะเอาเป็นว่าสุบินนิมิตของพระเจ้าวิกรมารมทิเนี่ยส่ง มีอยู่ว่าขี่ไม่หิงสาไม่หิงสาแปลว่าอะไรคุณรู้ทราบไหมคะอ่าเป็นอะไรครเป็นเป็นกระเบือไมฮะหรือเป็นควายคะวิ่งตะเตลิดไปสู่ดินแดนทางที่ใต้ครับก็ทรงตกประทัยตื่นลุกขึ้นนะขณะที่พระองค์นั่งอยู่อีกทำไมควายมันวิ่งตะเบิงไปทางที่ใต้ก็ตะโกนเรียกพระวิษณุขึ้นในใจคือพระผ้จิตใจพเป็นเจ้าครับก็หลังจากนั้นก็รู้สึก ให้รู้สึกว่าเป็นปกติจากนั้นก็สวดมนต์ยามเช้ า, าเสร็ออกท้องพระโลงประทับบนพลังอันนี้แหละค่ะสิงหาสนาทวาตริงสติกาแล้วก็เล่าสุบินนิมิตให้พรามทั้งหลายฟังรพรามผู้คงแก่เรียนชื่อว่าสัพพะชยัญพัทนี่ชื่อสัสกิกเพาะไหมคะคสัพพะชยัญพระพัทแปลว่าหมอผู้รู้ทุกอย่าง ก็กราบทูนว่าสุบินนิมิตนี้เนี่ยเป็นได้2 อ, อย่างคือเป็นได้ทั้งดีและก็ร้ายสุบินที่ดีนั้นท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลใดฝันว่าขี่โคขี่ช้างฝันว่าเข้าไปในโบสถ์วิหารไปยอดเขาปีนต้นไม้หรือว่าฝันถึงมูนต่างๆเนี่ยนะคะฝันเห็นโลหิตมัจจุลาชหรือสันทวะกับผู้ที่ถูกห่วงห้ามก็ดีก็ถือว่าฝันดีสันทวะกับผู้ที่ถูกห่วงห้าม ระดับสูงนะคะหรือว่าฝันเห็นเลือดนะตกเลือดก็รายกายเป็นดีเห็นฝันเห็นมัจจุราชสาวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแปลเป็นฝันการฝันว่าดีนะคะแต่ว่าฝันที่เป็นอาวุามงกลคือว่าแม้ว่าขี่ควายขี่พี่ลาเ น, นีนะะ่ยแล้วฝันดีนะคะแต่ถ้าเข้าไปสู่พงน้ําหรือว่าเห็นเท่าอังคารเท่ากระดูกฝันเห็นผ้าฝ้ายอูดเสืองูหมูป่าลิงและสัตว อื่นๆสัตว์เต็มไปหมดเลยเนี่ย<ะ>อันนี้ก็ถือว่าจะถึงความตายน6เดือนอนะคะอันหนึ่งความฝันนิยามต้นของลาตีจะมีผลภายใน1ปีความฝันนิยามที่สองจะมีผลใน8เดือนและความฝันในยามที่3ามจะได้ผลใน3เดือนอเดี๋ยวอ่นแปลก่อนนะฮะว่ายามต้นคือช่วงไหน<ะ>คือสมัยก่อนจะนับ3ชั่วโมงะนะคะยามต้นคือ3ชั่วโมงแรกของกางคืนคือระหว่าง6โมงเย็นถึง3ทุ่มไอ้คือยามต้น สมชั่วโมงแรกค่ะคยามสองก็คือสามทุ่มถึงเที่ยคืน <ฮะ S 2> พอเข้ายามสามถึงช่วงสองยามถึงตีสามนะคะก็เวลาใกล้รุ่งก็คือยามที่สี่ก็คือใกล้จะสิ้นราตรีหรือเวลาเช้ามืด น, นั่นเองนะคะเมื่อเวลาหนังจีนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยามสา ม, า ย, า ม, สามยังไม่นอนเลยอะไรเงี้ยนะคะก็คืออยู่ในช่วงถึงสองยามถึงตีสามคือขยับขุนแล้วเนี่ยคือเล่นหมากรุกนีหมฮ ะ, ะขยับขุนในตอนยามหนึ่ง มันขยับอีกตัวหนึ่งตอนยามสี่ทีนี้ก็บอกว่าเวลาฝันใกล้ลูกเนี่ยใจะได้ผลภายใน10บวันครับนะคะถ้าฝันในเวลาปล่อยแม่โคออกไปหากิน<ม>ก็คือเวลาเช้าหรือเวลาสายแสดงว่านอนตื่นสายนะคะความฝันจะให้ผลทันทีครับคือใครที่นอนในช่วงนี้ประมาณ8ปโมงเ้าโมงอาจจะไปส่งลูกกับมต่อแล้วฝันเนี่ยนะคะ <c oughs> ใจะใ้ผลทันทีอ๋อหะนะค ะ, ะ, คะทีนี้ก็ พระรามนี่เขก็สรุปมาอ้างกล่าวโดยย่อหลังจากที่กล่าวมาโดยยาวแล้วนะคะคว่าพระสุบินิมิตของโรคในครั้งนี้น่ะเป็นฝันร้ายแล้วก็เป็นรางชั่วสำหรับพระองค์โดยแท้ ค, คือผู้ที่แน่ถึงเป็นพระมหากรรษัตริย์ที่ทรงคุณธรรมทศพิธราอมจะทำเพียงใดก็จะต้องมีเวลาที่จะมีครอะชว่วงที่กรรมเข้ามาพระราชาก็เลยถามว่าอ่ะท่านพระรมไม่ใช่มีทางแก้ไขอย่างไรใครก็ตามนะท่าทว่ามีอยู่ใ น, ใ น, ในช่วงเคราะนี้นะคะ พระรามก็มีคำแนะนำว่าให้พระองค์เนี่ยแต่งองค์ได้ภูษาภัสตราพรที่สวยที่สุดเข้าสู่ลงพิธีนะคะแล้วก็ทำพิธีเหมือนกับยันยะบูชานะคะคือตามความว่าคือบูชาเทวดานั่นเองนะคะเรื่องเครื่องทรงและอาพรให้แก่ผู้ทำพิธีคือหลังจากที่ทำพิธีแล้วเนี่ยเอาเครื่องทรงทั้งหมดเนี่ยให้กับคณะพรหมณ์ที่ทาพิธี หลังจากนั้นก็ไปทรงฉลองพระองค์และภูษาใหม่กระทําพิธีราชาพิเศษถวายเครื่องบูชาแก่เทพเจ้าอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นถ้าอย่างเราเราก็เรียกว่าเป็นพุทธบูชาอย่างเราก็คือการให้ทานนะคะด้วยของที่ดีที่สุดนะคะและก็ไปน้อมนมัสการด้วยของวิเศษคือนป ร, รัตน์เป็นเทวปรีนะคะคือถวายเทวดาแต่เป็นของเราก็นําเข้าไปถวายบรรจุ ที่เราบรรจุอนะคะในพระทาตก็ดีนถวายพพุทธบูชาก็ดี<ช>จากนั้นประทานของขวัญสิอย่างแก่พราหมณ์ประทานทรักแก่คนง่อยเปรีย้ยสีขาก็คือการให้ทานนั่นเอง<ช><ช>ไอคนตาบอดคนจนนะคะแล้วก็ให้ทําอย่างนี้เนี่ยเจ็ดวัน<ช>ว น, นะคะฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีก็ทรงกระทําตามทุกอย่างนะส่วนให้ทานนั้นพระองค์ทำมากกว่ที่พราหมณ์บอกค่ะเปิดพระคังมหาสมบัติเป็นเวลา3าวัน <Okay. S 2> ให้คนมาเลือกหยิบเอาของมีค่าไปตามชอบใจโ oh, ออย่างนั้น เ, นะะเมืองเลยใช่ค่ ะ, ะนี่คือการให้ทานของพระเจ้าวิกรธรรมทิศนี่คือยามที่พระองค์มีเคราะห์เปรียบแล้วนี่นะครับถ้าพ่อบ้านมีเคราะห์พ่อเมืองมีเคราะห์นะฮะถ้าเอาสิ่งที่วิกรธรรมทิศได้ปฏิบัติไปนะครับการให้ทานนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าจะจะล่วงพ้นไปในสิ่งซึ่งกําลังจะต้องประสบที่เรียกว่าเคราะห์กรรมเนี่ยเหมือนกับ ต้องทำใจนะอาจารย์นะอย่างที่บอกว่าต้องสามารถที่จะถอดเครื่องพระสาพรให้ไปเลยนะครับอย่างยัน ย, ยักบูชานี่ผมมองเป็นสดอกเคราะหได้ไหมครั บ, รบใช่ค่ะคือแ อ, ออนกาจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าวิกรธรรทิศเนี่ยเมือนปริศนธรรมนะคะคือเราอยในศาสนาพุทธเนี่ยเราก็ลองแปลดูนะคะว่าคืออันนี้คือพิธีภาพพิธีกรรมนะคะแต่ความหมายมันก็คือว่าการนําสิ่ง ออกกจากตเสียสละการใหนะ้การตัดความโลภความโกรธความหลงครับคือสิ่งที่เป็นของใช้ของเราเนี่ยอย่างวิชโาโหราศาสตร์ของเราเนี่ย ค, คำว่าบริวารก็ดีนะคะคำว่าตันุ ก, ก็ดีคําว่าลักขณาดีดมันไม่ได้หมายถึงฉันนะะมันหมายถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับฉันข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่เราใช้จนเป็นประจําจนเป็นตัวเราแล้วมันมันได้รับกระแสจากตัวเรารนะคะคื อ, อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ สัตว์เลี้ยงนะคะหรือของใช้ที่ห่างตัวไปแต่ว่าอยู่ในแวดแล้อมแม่บวงอยู่ในห้องของเราเนี่ยถ้าได้มีโอกาสเนี่ยให้คนอื่นออกไปเนี่ยมันเหมือนกับให้ชีวิตของเรานะโดยปราศจากความโลภคือจิตมันใสใมันเหมือนเกิดใหม่เหมือนจิตทางลอันบริสุทธิ์เนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็นการที่จะสะดาะเคราะ์เพราะฉะนั้นในพิธีเนี่ยที่ว่าถวายให้กับเทพเจ้าเนี่ยเพราะว่าในความหมายคือว่าคนเราที่เกิดมาได้ก็ ด, กด้วยกรรมนะค ะ, ะ, ค, ะคือเขามองว่ากรรม ที่เป็นชนกกรรมที่นํามาเกิดไม่ว่าจะเป็นอากุศลกรรมหรือกุศลกรรมก็ดีเนี่ยในความหมายในปริศนาธรรมเนี่ยคือพระเจ้าคือพระเจ้าผู้เอามาเกิดชนกคือพ่อพ่อของกรรมในชนกคือพ่อคือผู้ให้กําเนิดแห่งกรรมอันนั้นคือตัวของเราเองนี่แหละค่ะเรื่องการที่ทําพิธีบูชาเหมือนว่าเราจะเริ่มเกิดใหม่แล้วนะแล้วเราก็นําสิ่งของทั้งหมดที่เป็นตัวเราทั้งหมดเนี่ยเอาไปเอาเอาให้บริจาคให้เอาจากตัวไวหมด การสะดอกเคราะ์เป็นกุศลกรรมนะคะหมายว่าเหมือนเราเกิดใหม่นะคะแต่บางคนอาจจะแปลไปว่าการสะดอกเคราะก็คือการแท้งตายนะคะห่มผ้าเสร็จปรับสวดบางสกุลเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านมาจากพระธรรมบาลสกุลไปแตจริงๆเนี่ยเราควรจะคิดในเหตุและผลว่าการเกิดใหม่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยต้องประกอบไปด้วยชนกกรรมที่เป็นกุศลกรรมนำมาถูกไหมคะดังนั้นเราต้องประกอบอภิธีบูชาก่อนซึ่งเปรียบเหมือนเริ่มต้นของ ชน ก, กรรมอันเป็นกุศ ล, ลกรรมครับแล้วก็เป็นการทําบุญ<ม>ทําทาน ใ, ให้สิ่งของเอจอ้าตัว<ม>แต่พระเจ้าวิกรมาธิตย์ทําเกินที่แนะนําก็คือว่าเปิดคลังเลยเอาอะไรเอาไปย<ป>ิ่งบริสุทธิ์ใหญ่ครับเคราะของพระองค์เนี่ยก็ไม่มีแล้วบางค น, นไม่อย่างนั้อาจารย์ครับผมดูตามข่าวหนังสือพิมพ์นะครับมันก็เกิดเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกพรบอกมีเคราะห์ไปไหนย้ายที่นอนนะเลี่ยงดวงครับเขาบอกช่วงนี้สุขเข้าพระสาวแทรก ก็ต้องเรียงไปนอนตรงนั้นต้องไปทำบางสกุลเป็นบางสกุลตายตรงนี้ต้องไปคือมันมีหลายอย่างไปหมดเลยแต่พูดถึงเรื่องของการเสียสละส่วนตัวเนี่ยมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้น<ม>กรรมก็อาจจะมากหน่อยคือเราลองคิดดูนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงกรรมของบุคคลหลายๆคนนะที่ต้องไปเิญ น, น ะ, ค, ะครับโดยเหตุที่ว่าดาวเสาร์เนี่ยนะคะซึ่งมีบุณภาพที่มันร้ายเป็นช่วงๆนะะเนี่ยนะคะเเป็นกราด้วยนี่ยนะคะคือ มาอยู่ในทับทัู่ในกรกฎที่รานีกรกซึ่งเป็นราศีอูข้าอู่น้ำราศีความอุดมสมบูรณ์หรือใครก็ตามที่มีความเกี่ยวพันกับราศีกรกฎก็จะได้ผลกระทบไปด้วยเนี่ยนะคะครับเราลองทําแบบนี้ดูสิคะว่าทําตัวให้บริสุทธิ์ด้วยการให้นะคะคือทําให้มากที่สุดโดยไม่ได้หวังผลฮะโดยไม่ได้หวังผลวิกรมาทิตให้ไปเนี่ยไม่ได้หวังแล้วผมก็เชื่อว่าเวลาท่านก็พราะว่าทเกินเพราะทําเกินในสิ่งที่ได้รับคําแนะนํา นั่นคืออยากจะให้อยู่แล้วแต่ถ้าให้เพราะคนเขาจะได้รู้ว่าเราก็ให้เหมือนกันนะอะไรอย่างนี้มันก็มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจค่ะถ้าใจที่มีความให้เนี่ยนะคะ ค, คืออะไรที่ร้ายๆก็จะกลายเป็นดีเซาปรับแปลว่าคนอื่นอยู่แล้วอะไรเพื่อคนอื่นครับนะคะครั บ, รบเอาละเมื่อเราเรื่องจบลงนางตุกตาตัวที่ยี่ก็ถามโพชร า, าชานับอกว่าขณะพระเจ้าวิกรมทิศเนี่ยมีเคราะมีทุกข์เนี่ยเพราะมีใจอันยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้เนี่ย พระทำได้หรือเปล่า ร, ราชาภูษะเนี่ยก็ไม่ได้ตอบยิงคิดไหมครัยิงคิดค่ะคือย่คิดมากขึ้นและในที่สุดก็ก้าวเยียบศีรษะตัวที่ยีซึ่งกระโดนทักโทูตามเกิดก่าฟันธิฐานก่อนรพระองค์ก็นิ่งฟังอยู่สะดุดีเพราะฉะนั้นคราะหกรรมของวิกรมทวิกรมะทิตทีิกษัตริย์ผู้นี้เผชิญเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่จะจูงใจหรือทําให้วิกรมะทิตเปลี่ยนแปลงจริยาซึ่งเป็นธรรม ขึ้นปฏิบัติมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสียสละการให้ความเข้าใจผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยช่วงนี้มันเป็นจุ้งเคราะหกรรมทุกคนต้องเห็นใจเรานะอันนั้นคนธรรมดาสามัญ น, นะครับแต่ถ้าจะเป็นคนที่นั่งอยู่ในใจคนนั่งอยู่บนที่สูงหรือว่าครองใจคนทั่วไปทั้งแผ่นดินเนี่ยอย่างที่ท้าววิกรมาทิตย์ปฏิบัติเนี่ยถึงแม้จะบะชิญเวียนบะชนกรรมขนาดไหนก็ยังจะต้องมีใจนึกถึงส่วนรวมนึกถึงผู้อื่น เป็นพื้นฐานนี่เป็นคุณธรรมที่สูงส่งอย่างยิ่งนะครับบางคนอาจจะบอกโอ้ยเป็นนิทานก็ทั้งหมดนี้เป็นปริศนาธรรมนี่นะครับคงไม่ต้องไปพูดว่าเป็นนิทานหรือเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าก็ได้หล่อล้อมแล้วก็สร้างบุคคลสําคัญสำคัญขึ้นมาในโลกเรามากมายหลายคนแล้วจากนิทานเรื่องวิกฤตมจัจหริกเช่นเป็นนิยายภาษา ส, าสันสกฤตนะครับ